สมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอังหะโตสมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันทาวิตสังนิพิสังขะหังกรังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณะปุณัง คาหะการกะทิทโทสิปุณเคหังนากาหะสิสภาเตพาสุกาภัคขาคาหะกูตังวิสังคตังวิสังคางราคาตังจิตตังตัณหานังขยมัจฉาคาตีสาธุชนทั้งหลายวันนี้ เราอยู่ในช่วงของวันงานระดับโลกที่ชื่อว่างานวิสาขบูชาโลกรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยจัดให้มีการจัดงานเจ็ดวันต่อเนื่องเรียกว่างานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลกดังนั้น ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์เฉพาะปีนี้เป็นปีที่หนึ่งร้อยปีเวียนมาบรรจบครบครั้งเดียวคือวันสัมพุทธช ย, ยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ100่งร้อยปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนหน้านี้ ปี 2,500 เราก็เกิดไม่ทันถ้าจังรอไปปีหน้า 2,700 เราก็ไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรอยู่เังนั้นปีนี้ 2,600 จึงเป็นปีที่อยู่ในช่วงระหว่างชีวิตเราพอดีพอดีถ้าในโลกนี้เขาให้ความสำคัญว่าปีพุทธชยันตีเนี่ย เป็นปีที่เป็นสิงหริมงคลอันยิ่งใหญ่เขาจึงใช้คำนิยมว่าฉเฉลิมฉลองปีสัมพุทธชยันตีนะะเฉลิมฉลองเลยนะไม่ใช่ฉลองธรรมดาฉเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งใหญ่ระดับโลกประเทศที่มีพุทธศาสนา ทั้งสายเถงระวาดหรือมหายานก็ตามก็จะรวมมือร่วมมือร่วมใจโดยเฉพาะประเทศที่เป็นแกนนำาศาสนาโลกสายเถงระวาดอยากรู้ไหมว่าประเทศไหนนำหน้าที่สุดในสังคมสงโลกประเทศศรีลังกาไทยอยู่ระดับไหนในสังคมสงโลก อยู่ในกระดับที่สามสีลังกาอันดับที่หนึ่งพมา่าอันดับที่สองไทยอันดับที่สามในสังคมสงโลกนะในเวลาที่จะมีการประชุมสงนานาชาติที่เรียกว่าบูดิสต์เวิร์ลบูดิอย่างนี้เป็นต้นสงสามประเทศเหมือนก้อนเศร้าสามก้อนสีลังกา ขม่าไทยนับว่ามีบทบาทโดดเด่นในสังคมสงฆ์โดยเฉพาะโดดเด่นในด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนาเต็มรูปแบบในความโดดเด่นของทั้งสามประเทศเนี่ยมีกล่าวในหมู่สังคมสงฆ์โลกว่าประเทศศรีลังกานั้นนะเก่งชาติชาติการด้านพูดภาษาของพระพุทธเจ้าได้คล่องแคล่ว เหมือนเป็นภาษาของตนเองพูดง่ายๆก็คือพูดบาลีเก่งครั้งหนึ่งตมาได้เดินทางไปร่วมงานที่ศรีลังกาจะไปตระเวนศึกษาหาสำนักที่สอนสนทนาพูดบาลีเก่งๆก็ไปร่วมงานเปิดสถาบันการศึกษานานาชาติที่กรุงโคลัมโบ ในขณะที่นั่งร่วมวันเปิดงานอยู่นั้นนะ่มีพระรูปหนึ่งอายุประมาณสักหกสบมาเป็นพิธีกรเขาเรียกว่าเป็นโคศกเป็นพิธีกรดำเนินรายการต่างๆในขณะที่ท่านพูดไปพูดไปเนี่ยเราฟังภาษาสิงหนไม่ออกแต่เอ๊ะเราทำไมฟังรู้เรื่องนะ ฟังไปฟังมาอ้าวท่านพูดภาษาบาลีนี่ไม่ได้พูดภาษาสิงหนไม่ได้พูดภาษาศรีลังกาพูดด้วยภาษาบาลีปากเปล่าแนะนำให้รู้จักสังขานายกะทั้งสามนิกายไม่ว่าจะเป็นสยามวงไม่ว่าจะเป็นอมรภูระวงศหรือลังกาวงซึ่งมีสังขานายกะที่เรียกว่ามหาสังขานายกะ พูดง่ายๆก็คือมีสังฆราษฎรของนิกายใครนิกายมันสามนิกายใหญ่ๆที่เรียกว่าสามวงใหญ่ถ้าสยามวงเนี่ยก็ส่งไปในสมัยพระอุบาลีเถงระในยุคของพระเจ้าบรมโกศโล ก, กนาฏสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าเป็นของพมา่าสายพม่าก็จะชื่อว่าอมังระปูงระวงก็ส่งไปในสมัย กุเลงนองกำลังโด่งดังโดยส่งไปเชื่อมสัมพันธเวตรีด้านาศาสนาหมายจะขอพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระเคี้ยวแก้วมาไว้ที่เมืองพาม่าในสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นถูกอังกฤษปกครองกลัวว่าจะทำลายให้ย้ายมาไว้พาม่าชั่วคราวก่อนแต่ลังกาก็ไม่ยอม อีกสายหนึ่งก็คือสายลังกาวงในสมัยที่สมณเณรทีปังกรบวชเป็นสมเณรจนอายุ60ทั้งประเทศมีสมเณรรูปเดียวศาสนาเสื่อมในยุคที่ทมินครองเมืองแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของโปรโตุเกสของฮอลันดาและอังกฤษต่อเนื่องกันยาวนานศาสนาในประเทศศรีลังกาเสื่อมมีสมเณรอยู่ใงรูปเดียว จนได้ส่งคณะสงฆ์ไทยที่เป็นธรรมทูตยุคแรกไปจึงได้ไปอุปสมบทสามเณรอายุหกสิบเนี่ยขึ้นเป็นพระภิกษุและสมัยนั้นก็ขึ้นครองตำแหน่งมหาสังคนายกะเมื่อบวชเสร็จเพราะมีอยู่รูปเดียวดำรงตำแหน่งมหาสังคนายกะนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยมีบทบาทโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการบุรณะ ปฏิสังขรณพุทธสถานในประเทศอินเดียลังกาถึงก่อนลังกามีบทบาทในผู้นําโลกแม้แต่การนํโยมดูนะธงสายเนี่ยนะธงสายที่ผูกอยู่ที่หัวเสาเนี่ยเรียกว่าธงสายยมจะเห็นธงสองประเภทประเภทหนึ่งที่เราคุ้นตาที่สุดก็คือธงพื้นสีเหลืองมีตราธรรมจักรส่วนอีกธงหนึ่งไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่ ท่านเรียกธงฉับพันธและังสีประเทศศรีลังกาในคราวประชุมสงนานาชาติที่สาประชาชาติเป็นยภาพจัดได้ให้แต่ละประเทศนั้นนำตราสั ญ, ญลักษณ์ของสงโลกเป็นเสนอในที่ประชุมแล้วก็เลือกกันถ้าเลือกธงไหนแล้วให้ถือธงนั้นว่าเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ของสงโลก ในที่ประชุมต่างประเทศต่างๆก็นำธงที่ออกแบบแล้วเนี่ยไปนำเสนอแล้วก็ลงคะแนนกันว่าธงใครจะได้รับเลือกธงที่สีลังกานำเสนอคือธงชาปนารังสีเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นหลายๆสีถักๆไข้ก็บ้างได้รับคะแนนชนะชนะโหวตลงมติว่าให้ใช้เป็นธงตราสั ญ, ญลักษณ์สงโลก ธงไทยนำเสนอธงธรรมจักรอันนี้แพ้คะแนนแต่กลับมาประเทศไทยไม่ยอมรับธงที่สหประชาชาติประกาศใช้ใช้ธงธรรมจักรเรื่อยมาเท่าทุกวันนี้แต่้นเวลาไปไประชุมสงโลกเขาจะมีตราสัญลักษณ์สงนานาชาติคือธงชฉพนังสีทั้งหมดแต่ไทยกับใช้ธงธรรมจักรก็ยังใช้อยู่มายุคหลังหลัง ประวัติศาสตร์นี้เริ่มจะลืมเลือนไปก็เลยนำทองฉัพนธสีมาใช้ปรับปลายศรีลังกาเข้ามาทงฉัพันศรีมาใช้เอ้อสวยดีนะพม่านํามาใช้ทงฉัพันธสีมาเอ้อสวยลังกามาพม่ามาเนปาลมาอินเดียมาเขาใช้ทงฉัพนธรีหมดเลยเราก็เลยเอาละทีนี้ผสมผสานกันแล้วนะตอนนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้แม้แต่ปีกลายนี้เราก็จะไม่เคยเห็นธงแบบนี้ แต่ปีนี้คำว่าสัมพุทธชยันตีเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาและประกาศใช้ไปทั่วโลกเนี่ยสัมพุทธชยันตีครั้งก่อนคือสัมพุทธชยันตี 2,500 แต่นับ 2,500 กึ่งพระพุทธศาสนา คือพื้อศาสนาจะมีอายุยืนนานอยู่ 5,000 ปีเมื่อถึงปีพศสอ0 0ก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลกมาครั้งหนึ่งคือสมพุทธชยันตีกึ่งศาสนาะกึงศาสนา 2,500 ก็คือเมื่อ55ปีที่แล้วเองยังไม่นาน แต่ปีนี้มาจัดงานสัมพุทธชยันตี 2,600 เอ้55ปีเองทำไมโดดจาก500มาเป็น600เลย น, น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะถ้าใครเกิดทันเฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์ก็เคยมีคำพูดนี้2 5 2 5 2 5ใช่ไหมแล้วก็มา 2,600 แล้วก็ประกาศไปทั่วโลกว่าคำว่าสัมพุท ธ, ธชยันตีเนี่ยครบรอบปีที่ 2,600 แต่เราดูปีพุทธศักราชมันก็เป็น2อ0 2,555 ห้าสบัห้า้อห้าิบห้านคนที่ไม่สันทัดในเรื่องการกำหนดนับเลขปีในาศาสนาเนี่ยจึงทำให้สับสนอยู่พอสมควรแต่ว่า ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นํารัฐบาลศรีลังกาเขาประกาศวันวิสาขาบูชาของปีที่แล้วมาจนถึงวันวิสาขาบูชาปีนี้เป็นวันวิสาขาบูชาชาติศรีลังกาทั้งปีให้คนศรีลังกาแต่งชุดขาวทั้งประเทศหนึ่งปีเขาสมควรจะได้เป็นผู้นํำไหม สมควรจะได้เป็นผู้นำรัฐบาลเอารัฐบาลสนับสนุนประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลแม้แต่เพลงสัมพุทธไชยยันตีที่รัฐบาลศรีลังกาให้ศิลปินแห่งชาติของศรีลังกาทั้งผู้ชายผู้หญิงมาเขียนเนื้อร้องแล้วก็มาช่วยกันร้องเอาแต่ศิลปินแห่งชาติของศรีลังกามาร้อง และประกาศให้ใช้เป็นเพลงประจําสมพุทธชยันตีนานาชาติลองคิดดูสมควรจะได้เป็นผู้นำในด้านสงน า, นาชาติและเวลามีบทบาทเข้าไปในสังคมสงน า, นาชาติเนี่ยในสังคมสงเวลาประชุมกันก็เกิดคำเสนอขึ้นมาว่าทำไมเวลาสงนานาชาติ มารวมกันประชุมแล้วทำไมไม่พูดภาษาพระทำไมไม่พูดภาษาของพระพุทธเจ้าเวลาขึ้นอภิปรายปาตกถาเสนอน่อะไรทำไมต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เสียบหูฟังภาษาใครภาษามันบางทีก็สื่อใช้ล่ามบ้างอะไรบ้างไม่เข้าใจทำไมไม่พูดภาษาบาลีเลยเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าพูดแล้วจะได้เข้าใจเลยภาษาเดียวกันหมดทั้งโลก พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็นำเสนอประเทศศรีลังกาเป็นแกนนำจัดลักสตรบาลีคอนเวอร์เซชันอินเตอร์เนชั่นแนลให้สงทุกประเทศพูดกันด้วยภาษาบาลีทุกๆุกการประชุมสงนานาชาติพอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บไทยเกือบเกือบจะอยู่อันดับต้นๆแล้วหล่นไปไหนไม่รู้เนี่ย หล่นไปจัดลำดับที่พระที่พูดภาษาบาลีเป็นเนี่ยหล่นหล่นไปอยู่ไหนไม่รู้แทบจะไม่ติดอันดับเอาละทีนี้วางรังกาไว้มาดูพม่าบ้างพม่าได้รับยกย่องจากสงนานาชาติว่าเป็นผู้ทรงจำบาลีเก่งจำทุกอย่างที่เป็นภาษาบาลี แม้แต่พระไตรปิฎก45เล่มของพม่าเขา40เล่มจำได้ทรงจำได้มีรัฐบาลประกาศให้เป็นหลักสูตรแห่งชาติหลักสูตรเรียนพระไตรปิฎกแบบทรงจำถ้าทรงจำได้หนึ่งปิฎกเดินทางทางบก พร้อมทั้งอุปถากอีกสองคนฟรีตลอดชาติยมพ่อยมแม่รัฐบาลอุปถัมภ์ได้สองปิดกได้ทั้งทางบกและทางเรือฟรีตลอดชาติได้ทั้งสามปิดกฟรีทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศฟรีพร้อมทั้งอุปถากสองคน ยมพ่อยมแม่และครอบครัวเชื้อชาติเจ็ดโคตรตระกูลรัฐบาลอุปถมัมป์จำบาลีเก่งพูดบาลีเก่งลังกาจำบาลีเก่งพม่าแล้วไทยเก่งอะไรอาอยากรู้ไหมไทยเก่งอะไร เวลาเข้าประชุมสงนานาชาติเขายกย่องพระสงฆ์ไทยการศึกษารระบอคณะสงฆ์ไทยว่าแปรบาลีเก่งเอ้ามีเก่งได้เหมือนกันนะไทยนะ่ะแปรบาลีเก่งแปรได้ทั้งนั้นแม้แต่คำที่ไม่ต้องแปรแปรเก่งก็แปรหมดอ่ะอุย่ยประโยค ปรเรียนทำสองขึ้นไปถึงปะเรียนทำเก้าเก่งในเรื่องแปรแปรแปรต่อเนื่องยมเคยเข้าเรียนร่วมกับพไม่แปรต่อเนื่องเก้าปีเองรู้ดวิชาแปรอย่างเดียวอะแปรจบทั้งครบทั้งเก้าปีที่สอบได้ทุกปีนะถ้าสอบไม่ได้ทุกปีก็แปรซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้ว ส, สิจนกว่าจะได้ครบทุกทุกปีดังนะั้นคณะสงไทยการศึกษาของสงไทยเนี่ยจึงแปรบาลีเก่ง แปรเก่งเนี่ยจะไปเข้าสังคมสงเขาตรงไหนอ่ะพูดเก่งก็เจอกันก็พูดเลยบาลีเวลาถามข้อสงสัยอ้างอิงพระไตรปิฎกข้ามข้าจําเก่งเขาก็บอกชาะๆชได้เล ย, เลยแต่เราแปรเก่งมี่จะไปตรงทําอะไรตรงไหนอ่ะแปรบาลีมาเป็นไทยไทยเป็นบาลีบาลีมาไทยไท ย, ไทยเป็นบาลีไปสงนานาชาติเขาอยากจะรู้คําแปรแล้วก็แปรเป็นภาษาอังกฤษกับเขาก็ไม่ได้ ดังนั้นในสามประเทศเนี่ยลังกาพูดบาลีเก่งพม่าทรงจำบาลีเก่งไทยแปรบาลีเก่งทุกประเทศเขาประกาศใช้ธงฉชาพ น, นสีเป็นธงประจำาศาสนาสากลประเทศไทยใช้ของเราคนเดียวธงธรรมจักรประเทศไหนเขาก็ไม่ใช้ด้วยถ้าจะว่าไปแล้วเราก็ดีนะเรามีเอกลักษณ์เป็นของส่วนตัวไม่มีใครซ้ำแบบ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะโยงให้เข้ามาว่าพระพุทธศาสนาสังเกตให้ดูพื้นฐานของภาษาภาษาศรีลังกาเนี่ยมีวางรูปภาษาที่เป็นคำและสัมพันธ์ประโยคเนี่ยคล้ายกับภาษาบาลีเขาจึงพูดได้เก่งภาษาพม่า ก, ก็เหมือนกันรองจากศรีลังกาลงมาก็มีส่วนคล้าย ประโยคภาษาบาลีเขาจึงทรงจำเก่งพูดก็เก่งรองจากลังกาแต่ก็พูดเก่งนะส่วนไทยเนี่ยภาษาไทยเป็นภาษาที่เขาแปลละโดดข้ามหน้าข้ามหลังเห็นไนหะแปลภาษาอังกฤษก็โดดข้ามหน้าข้ามหลังแปลภาษาบาลีกระโดดข้ามหน้าข้ามหลังประธานอยู่หน้าขีิยายอยู่ท้ายตัวขยายอยู่หน้าตัวขยายมันก็เลยไม่เก่ง ไม่ใช่ว่าพูดมารณ้อยใจในภาษาไทยนะไม่ใช่นะพูดให้ฟังเพื่อจะโยงให้เห็นบางอย่างในชีวิตและเลือดเนื้อของชาวพุทธเราอย่ามองพระพุทธศาสนาว่าอยู่ในประเทศไทยเพราะวันนี้เนี่ยน า, นานาชาติเขาประกาศยอมรับพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ยกศาสนาทั้งหมดถ้าไม่นับประชากรที่นับถือศาสนาเขาดู ศาสดาและหลักศาสนาสูงสุดถ้าตอนนี้คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกศาสนามีอิสระในการนับถือใช่ไหมเขาจึงโยงสิ่งเดียวที่มันเกิดอิสระร่วมกันได้ก็คือทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีใครได้ยินไหมคำพูดนะี้ใครได้ยินใครไม่เคยได้ยินในแย่และทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีดีอย่างไงมาสงเคราะห์หลักศาสนา โดยเฉพาะศาสนาที่เป็นแนวหน้าสามศาสนาใหญ่พุทธคริสต์อิสลามมาไล่ดูทฤษฎีคาสอนของศาสนาทั้งหมดเราก็เห็นภาพรวมชัดเจนออกมาเป็นสองประการเหมือนกันหนึ่งสอนให้คนละเว้นกรรมชั่ว 2. ส, สอนให้คนประกอบกรรมดีเหมือนกันทุกศาสนา อาจจะเป็นเพียงบางนิกายในศาสนานะั้นที่แตกเราแตกกอไปแล้วมีการสอนให้เบียดเบียนคุก ค, คามนั้นมีอยู่แต่เป็นเพียงนิกายย่อยๆกลุ่มหนึ่งแต่เนื้อหาหลักศาสนาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเอาลักที่นิทุกศาสนาสอนให้เว้นความชั่วสองสอนให้สอนสอนให้ทําความดีเอาไหนว่าพุทธศาสนาเด่นของเขาเด่นตรงไหน3 ม, มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นข้อ3ี่ สอนให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสคริสมีไหมไม่มีอิสลามมีมัหมไม่มีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนคนให้ทำจิตให้หมดจดจากกิเลสด้วยมีเพียงศาสนาพุทธของเราศาสนาเดียวแม้แต่การอ้างอิงทฤษฎีกับหลัก ฟิสิกส์ก็ดีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่การค้นพบใหม่ๆก็ตามมีหลากหลายเหตุผลพระาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาที่กล่าวเหตุไหนมีผลอันนั้นพูดถึงผลอไหนมีเหตุอันนั้นมีแต่ผลไม่มีเหตุไม่มีมีแต่เหตุไม่มีผลก็ไม่มีซึ่งกล่าวลอยๆขึ้นมาไม่เหตุไม่มีเหตุมีผลในทฤษฎีคําสอนอื่นมีแต่ในพุทธศาสนาไม่มีและใ น, นการค้นค้นค น, ค, นค้นไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นสิ่งที่สอดคล้อง กับหลักทฤษฎีของพระาศาสนาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเวลาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมสองโลกกล่าวถึงาศาสนาทุกาศาสนาในโลกเนี่ยพระพุทธาศาสนายิ่งใหญ่เหลือเกินมากมายเหตุผลที่จะอ้างอิงได้ว่ายิ่งใหญ่กว่ามีลเมองแบบทั้งโลกนะ ลองบีบให้แคบเข้ามาหน่อยได้ไหมมาแคบเฉพาะอาละประชาชนชาวไทยเรามีาศาสนาเป็นสถาบันหลักนะส ถ, สถาบันชั้นสูงหลักหนึ่งในสามเรามีพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ยกย่องเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์ เราอิงเอาเลือดสีแดงเหมือนกันมาเป็นส่วนร่วมในสถาบันชาติแล้วเราเอาอะไรมาเป็นสิ่งเดียวกันว่าสถาบันศาสนามีไหมลองหาจุดจุดร่วมที่เป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ของคนไทยสิว่าอันไหนคือ น, นี่แหละพระพุทธศาสนา นี่แหละคือพุทธมามะกะนี่คือพุทธสาวกลองนึกหาตราสัญลักษ์ชาวพุทธร่วมกันของคนไทยสิคืออะไรคั้นเราจะบอกว่าเอา้าเราก็คำสอนพระเจ้าไงถ้าเราเลิกทำกรรมชั่วมาทำกรรมดีแล้วทำจิตใจให้หมดจดแล้วเราก็เป็นพุทธสาวกถูกไหม เขามองเห็นไหมอ้างอิงให้คนศาสนาอื่นหรือพุทธศาสนาชาติอื่นเขาเห็นว่านี่ไงฉันนี่แหละเป็นชาวพุทธได้ไหมเอา้าได้นะตอนนี้ก็ยังหาไม่เห็นว่าอะไรคือตราสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าพระพุทธปฏิมาพระพุทธังรูปเห็นพระพุทธังรูปอยู่ที่ไหน เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไปอินเดียในโยมนะในยุคที่ศาสนาที่นิยมสร้างรูปเหมือนเมือนกันเคียงบ่าเคียงไหร่ก็คือศาสนาเชนของมหาวีระชีเปลยกับพระพุทธศาสนาศาสดามหาวีระศาสนาศาสดาโคดมศาสนามหาวีระเกิดก่อนไม่กี่ปีศาสนาโคดมตามมาและสองศาสาเนี่ย สร้างรูปปั้นเหมือนกันซะด้วยมีคนไทยหลายคนไปกราบชีเปลยนึกว่าพระพุทธรูปลืมสังเกตสัญลักษณ์เพราะนั่งขัดสมาธิวางทำท่าสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่รู้อันไหนคือพระพุทธรูปไม่รู้อันไหนคือรูปของชีเปลยนั่งอยู่บนดอกบัวเหมือนกันนั่งขัดสมาธิเหมือนกันหน้าอกพึงไายเป็นพระญาสีหังราช ส่วนหน้าเหมือนกันเอแล้วของเราเวลาปั้นรูปพระบิดเจ้าเนี่ยขนาดใส่จีวตแล้วยนหัวนมโผล่ออกมาอีกเหมือนยังไม่ได้ใส่ไปเหมือนชีเปลยใช่ไหมเอ๊ะเราอ่อนไหลเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงดังนั้นเวลาจะทักจกท้วงอาตมาชอบไปทักท้วงศิลปากร เวลาเขาออกแบบพระพุทธรูปอะไรต่างๆออกมาเนี่ยจะไปรักท้วงเวลาทักท้วงเขาบอกว่าทําไมพระเจ้าห่มจีวรแล้วจะมองเห็นนมอยู่เนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยห่มอย่างเนี่ยไม่เห็นนมใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เห็นนะแต่พระพุทธเจ้าทำไมหุ่เราห่มจีวรแล้วข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาไม่มีจีวรคลุมข้างซ้ายจีวรคลุมแล้วไม่เห็นนมเหมือนกันเขาก็บอกว่านี่เป็นพุทธศินพุทธศินยังไง เพื่อจะแสดงมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้าให้เห็นให้มันครบถ้วนอาตมาก็เลยอ๋องั้นเข้าใจแล้วคนตาไม่ดีมองไม่เห็นต้องทำอย่างนี้ถึงจะมองเห็นส่วนคนตาดีก็จะมองเห็นนแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปเข้าหาพระพุทธเจ้า ในใจคิดว่าโอ้อยากจะเห็นว่าพระบุตรเจ้ามหาบุรุษลักษณะส32สองประการครบถ้วนใอะไรบ้างถ้าพระบุตรเจ้าทราบอัธยาศัยแนวความคิดเนี่ยพระเจ้าก็จะเนงกระมิตให้ปรากฏแก่สายตาเฉพาะคนอยากเห็นเท่านั้นทีนี้ของเราเราก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะเห็นเหมือนกันนะสาิบสองคืออะไรบ้างเนี่ยดังนั้นนักพุทธศิลป์ทั้งหลายนักปั้นศิลปะ กิตกรรมหัตกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะให้มันเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะน้อมนำศรัทธาตรงไหนใจจะโอนถึงคุณของพระพุทธเจ้าตรงไหนอันไหนคือเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสก็สร้างสรรค์ออกมาได้งดงามที่สุดเพียงแต่ว่าลืมความจริงไปบางอย่างเท่านั้นแหละบางทีจะเน้นแต่พุทธศินพุทธศิน ก็ลืมไปว่าถ้าไปค้นดูพุทธศีลจริ ง, รงต้องอ้างอิงคำพีพระบุญเจ้าบรรยัญญบไว้ชัดเจนถ้าภิกษุใดหมจีวรแล้วมองเห็นนมปรับอาบัตทุกกฎ <c oughs> ไม่ว่าจะรัด อ, อกแบบแน่นเหมือนพระบางรูปสมัยใหม่ใช่ไหมให้โชว์หน้าอกปรับอาบัตือจะหมแล้ว จีลดลงมาหน่อยเห็นหน้าอกโพก็ปรับอาบัตนะพวกนักศิลปะคงจะลืมข้อนี้ไปก็เลยปั้นพยายามปั้นให้พูเจ้าเปิดเหมือนกับเปิดนมให้ดูว่าเนี่ยหน้าอกผู้เจ้าเป็นแบบนี้นะไม่ใช่นลืมไปอตาตมาเคยพูดเขาอย่างนี้นะศิลปรกรนะทีนี้มาดูว่าดังนั้นในมุมแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าของหลักศาสนาในประเทศไทย นั่งอยู่นี่เป็นพุทธบริษัทพุทธมามกะเคยเปร่งวาจาพุทธังสังกรณังคัชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่งกระลึกถึงปานุเปตังสัรณังคัามิระลึกถึงตลอดชีวิตทำมังสัรณังกัชามิสังคังสังรณังกัชามิแล้วก็ตามด้วยปานุเปตังสัรณังกัชามิ หรือปานุเปตัตงสารนังฆตังถ้าใครเคยไปบวชชีพรามปฏิบัติธรรมวัดนนท์วันนี้เขจัดบวชเนี่ยก็จะมีคำเนี่ยให้พูดคําประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธมามะกะเปล่งวาจาถึงพระตตรตะไกรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพ่อเป็นอย่างนี้อ๋อชีวิตของเราธาตแท้ที่แท้จริงชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยคือมีพระรัตะไกรเป็นที่พึ่งใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเราสามารถบอกได้ไหมว่าพระรัตนตรัยเนี่ยคือตราสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นยังไงพระรัตนตรัยเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยเอาพระพุทธทองคํามาตั้งตรงนี้เอาพระตรวิฎกมาตั้งตรงนี้เราพระสงฆ์มานั่งอยู่ทางหน้าอย่างนี้สามอย่างพราแล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ทําเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ได้ไหมจะทำยังไงจะออกแบบยังไงเนาะใครเป็นดีไซน์ ดีไซเนอร์ออกแบบดีๆออกโลโก้มาอันหนึ่งเหมือนกับพระเจ้าโศกมหารกราชทําตราแผ่นดินสมัยพระองค์เป็นสิงห์เนี่ยซึ่งหลายคนไม่รู้ไปเดินมองมองดูเสาเห็นครบหรือยังไม่รู้เสาที่อยู่เท้าสิงห์มีสัตว์อยู่สี่ชนิดตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะนะั่นแะใครรู้แล้วยกมืออ๋อมีคนดูด้วยนะเนี่ยมีคนเงยหน้ามองโอ้นีตัวอะไรตัวอะไร แล้วบอกได้ครบไหมว่ามีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างเอาตัวสิงโตไม่นับนับไปที่สี่สี่อย่างอยู่ข้างล่างนั่นแนหะช้างมา้าวัวควายโอ้ยมีควายได้เหรอไม่ ม, <laughs> ออมีอะไรอีกช้างม้าวัวอะไรอีก อะไรอีกอ๋อใครสักคนไปเดินดูให้ทีเอ้าไปเดินแล้วมาบอกทีนี่แหละย่อมจะหันไปลุกเลยคนไหนเอาคนไหนเดินคล่องเอาไปเดินดูให้หน่อยสิว่าสี่อย่างที่อยู่ตรงฐานข้างล่างสิงมานะนะั่นน่ะมีธรรมจักรขั้นเป็นช่องช่องนะนะั่นน่ะมีตัวอะไรบ้างอที่จริงอยากจะถามเจ้าหนะ้าที่ที่เขานั่งเฝ้าด้วยซ้ำํำที่นั่งเฝ้าทุกวันทุกวันเนี่ยข้างบนนะ่ะตัวอะไรกับตัวอะไรเนาะเอาไปดูแหลวไปดู จะได้เห็นเอา้าไม่งั้นเขาถามนะเนี่ยทําไมต้องมีช้างทําไมต้องมีม้าพระเจ้าโศกเนี่ยหรือว่าพระเจ้าโศกตอนออกรบอ๋อขี่ม้าไปรบมัง้งขี่ช้างไปรบมัง้งหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่ธรรมดานะรู้ไหมว่าตอนพระพุทธเจ้าจุติจากสวงสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิที่คันพระมาดาพระมาดาฝันเห็นอะไร เอามาตัวหนึ่งหน้าเหมือนสิงโตจะเป็นสิงโตหรือเปล่านาะก็ไม่เป็นอะไรมีมีควายด้วยเหรออุยดูตรงไหนเอามาดูไม่เห็นมีควายนะวัวหรือควายไม่รู้เอ้าดูไม่ออกอีกทีเนี้ยเอาใครรู้วัวกับควายมันต่างกันยังไงไปดูให้ที เดี๋ยวจะไล่นะสัตว์สี่ชนิดของเรียกว่าอาชาในคำว่าอาชาในเนี่ยแปลว่ารู้ง่ายโดยหมายเอาสัตว์ใดฝึกง่ายสอนง่ายเป็นงานเร็วแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่น อย่างช้างก็มีคตชลักใช่ไหมคนก็มีนองกระลักใช่ไหมลักษณะตัวเ ด, ด็กของคนม้าก็มีอัศอัศอัศลักหรืออัศตาระลักนะเขาเรียกว่าม้าอัดสดอนนะโคก็เป็นโคอุสภะนะโคตัวประเสริฐปุริพญาโคสีหาเขาเรียกว่านองกระสีแต่เข้า เรียกอาชาใน้างนั้นนะ่ะช้างอาชาในม้าอาชาในบุรุษอาชาในแล้วก็โคอุสภะข้างล่างมีสอย่างช้างมา้าโคและราชสีสอย่าง4อย่างเนี่ยเอามาเปรียบเทียบ กับพระพุทธเจ้าตอนจุติมาปฏิสนธิคือช้างตอนออกพนวดพระเจ้าขี่อะไรไปมา้าม้าชื่ออะไรจำได้ไหมเออม้ากันธกะแสดงว่ามีความรู้ใครยังไม่รู้ไปอ่านซะนะนั่นนะ่ะติดติดเอาไว้นั่นนะ่ะขี่ม้ากันธกะออกไปบวชนะ แล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยของเรียกว่าบัรลือสีหนาทบรรลือสีหนาทตอนแสดงธรรมแล้ววัวเนี่ยเกี่ยวตรงไหนโคอุสภะเนี่ยมันเกี่ยวกับพระเจ้าตรงไหนเอา้าเอา้าโคอุสภะเกี่ยวพระเจ้าตรงไหน ก็เขบอกว่าเป็นผานนะของพระ อ, อิศวรของพระนารายณ์ของพระวิษณุของเทพเจ้าในาศาสนาฮินดูแล้วมาเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาวัวเนี่ยฮะเกี่ยวตรงไหนวัวใครรู้ยกมือไม่มีคนรู้อีกฮะอา้ามีคนรู้ด้วยว่างไงวัวอ๋อ เข้าใจแล้วเมื่อกี้โยมบอกว่าวันแรกนาขวัญไงพระสิท ธ, ธัตถะเห็นสเสด็จพ่อคือพระเจ้าสุตโตนะเนี่ยจับนังคัน น, นันงคันนังคลาในแปลว่าไถจะลดลงไปบนพื้นดินเขาเรียกว่าจลดผ น, นังคัน คองไถอันแรกเขาเรียกว่าแรกนาขัญเออขวัญมาจากไหนถ้าอยู่ทางอีสานพอจะได้รู้มาเด้อขวัญเออเขาจะได้ระบาอยู่นะจะหล่นางขัญแรกนาขวัญก็คือขัญนาขวัญข้าวขวัญแม่โพศพวันนั้นพระสิทธะเห็นหมู่แมลงต่างๆที่กระโดดหลบคลองไถกระตักกรตน บินเพ๊่ปุ๊บอีกาโฉบปั๊ บ, บ, บเขียดน้อยกระโดดติ้งไปนกตามจิกกินนกมูลไถวิ่งตามไถไปไปๆๆไปไปจับจกจับจจับกินรู้สึกว่าโอ้ดูเขาไถนาเนี่ยไม่รื่นรมหรือไทยเลยเห็นแต่บาปกรรมเห็นแต่สัตว์เบียดเบียนกันไม่น่าดูพอแล้วหลบไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าใหญ่เพียงผู้เดียวแล้ว ในที่นั่นได้พิจารณาบาปบุญเข้าปฐมฌ า, านอายุเจ็บขวบเท่านั้นได้ปฐมฌานไม่ธรรมดานะยมอายุเท่าไหร่กันแล้วได้แต่ปฐมต้นปฐมปลายปฐมฌ า, านเลยยังไม่ได้เนะี่ยก็อ้างอิงได้อ้างอิงได้นะทีนี้มาดูนะตอนนี้ ทำไมสูงสุดนะ่ะจึงเป็นสิงห์สี่ทิศสิงห์สี่หน้าก็หมายความว่าเวลาพระพุทธเจ้าบรรลือศีหนาฏเนี่ยท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบกับสรรัตว์ประหลานเอาพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนสิงห์หรือเอาสิงห์มาเหมือนพระพุทธเจ้าหรือทั้งพระพุทธเจ้ากับสิงห์เนี่ยมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นในคมภีทางาศาสนามากมายได้กล่าวเอาไว้ว่าสิงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันสองอย่างเหมือนอยังไงเหมือนตอนแผ่อาณาจักรถ้าราชสีหรือสิงโตและแต่จังเรียกสิงโตก็คือสิงโตโตไปทางราชสีก็คือสิงจากฝูงเป็นพญาสิงใช่ไหมเขาเรียกราชสีเนี่ย ราชสีทําไมเป็นเจ้าป่าราชสีทําไมปกครองสัตว์ป่าได้ทั้งหมดราชสีทําไมเอาสัตว์ป่าที่จอมเจ้าเล่แมรยาอย่างสุนัขยิ้งจอกให้อยู่ในเนื้อมือได้เออน ะ, สะแสดงว่าราชสีนี่ไม่ธรรมดานะยมกล้าไปไปเชิญหน้าราชสีที่มันอยู่ในพงสวนสัตว์ไหมไปจ้องจองมอง ขนาดรู้อยู่ว่าอยู่ในกรงเลยยังไม่กล้าเข้าใกล้มันเลยมันน่าเกรงขามโดยหน้าตาท่าทางบุคลิกภาพทาั้งชีวะอัธเลียวว่าทางกายวิภาคของมันเนี่ยนะกายภาพของมันเนี่ยมันน้าเกรงขามอยู่เหมือนกันนะเออแล้วข้างในมันน่าเกรงขามไหมรู้ไหมว่าราชสีเนี่ยปกครองสัตว์ป่าสองอย่างอำนาจของราชสีมีสองอย่างหนึ่งบรรลือศีหนาท สัตว์ผู้มีใจอ่อนโยนเพียงได้ยินเสียงราชสีบันลือโห o ขาามันก็ยอมสยบยู่้ใกล้นอนหงายท้องทำตัวแบบไเรเบียงสาทำไงก็ได้ให้รู้ว่าออยอมทุกอย่างนะแต่สัตว์บางอย่างมันกระด้างอย่างเช่นไฮยีน่าสิงคาละสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ ได้ยินเสียงบุรุเสียงน้าโข้่าแต่ไม่ใช่ว่ามันจะยอมนะขนาดสิงโตขา้าวแกงข้าบกวาง ม, ามันจะไปแย่งเอาคาปากเลยนะไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะแล้วมันจะทํำยังไงสุนัขิ้งจอกเหล่านี้ถึงจะยอมสยบนีปาบกงเล็บแยกเขี้ยวแห่สุนัขิ้งจอกก็ยอมราชสีปกครองสัตว์ป่าด้วย เดชานุภาพสองอย่างนี้ฉันใดฉันใดนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศพระศาสนาสามารถยังเวเขาเรียกว่าเวเนยะที่จะพูดว่าง่ายสอนง่ายสั่งสมบรกรรมมาดีให้พระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้มีอยู่ดังนั้นการแผ่พุทธจักร จักก็คือวงล้อธรรมจักรเนี่ยวงล้อธรรมจักรทุกๆครั้งที่พระเจ้าแสดงธรรมเรียกว่าจักกะดังนั้นเช่นธรรมจักรใช่ไหมเขาก็บอกแปลว่าวงล้อแห่งธรรมนะวงล้อที่ทำหมุนไปขา้างหน้าเรื่อยๆพระพุทธเจ้าปกครองพุทธบริษัชนทั้งสี่ด้วยเดชานุภาพสองอย่างเหมือนกันหนึ่งบรรลือสีหนาทเอา้าไม่ใช่ของราชสีหรือบรรลือศีหนาท ถ้าราชสีบัรเลือเสียหน้านไปแล้ว เ, เฉยๆนะนี่มันก็ไม่ค่อยเหมือนหรอกนะแต่เวลาพระพุทธเจ้าบรรลือศีห์หน้านเนี่ยสัตว์ผู้ได้สั่งสมกรรมดีมาเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ฟังรู้เข้าใจมนุษย์แม้สั่งสมกรรมดีมามากมาน้อยหรือยังไม่มีฟังดูก็เข้าใจเทวดาก็ฟังเข้าใจพรมก็ฟังเข้าใจ ดังนั้นการบรรลือศีหนาศของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายเอาพระสูงพระเสียงของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์แปดประการเสียงทุ้มลุ่มลึกกลมกล่อมใสชัดไม่แหบเครือยงเราะกินใจแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงธรรมเพียงเรียกชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็แทบจะตัวลอยแล้วอย่างเช่นพระวกกะลิ ที่ไปบวชเนี่ยเพราะหลงสิริโฉมของพระพุทธเจ้าพระเจ้ารูปหล่อเหลือเกินไปบวชไม่ใช่ชื่นชมศรัทธาแต่จะบวชตามดูพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นเกะกะเก้งก้างโอ้ยใครจะมากราบข้างหน้าเนาะเพราะกะลีเขามาเสนอหน้าอยู่เนี่นยไม่ไหวแล้วเพราะกะลิเนี่ยพรุทธเจ้าก็นึกอยู่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรหนอะเ พ, พราะกะลิพูกนี้จึงจะได้บรรลุธรรมกับเขาได้บ้าง พุทธเจ้าก็เห็นอุบายแล้วเอาแบบถ้ามันสม่ำเสมอกันมันบรรลุยากใช่ไหมเอาแบบฟ้ากับเหวอะให้มันแตกต่างกันซักหน่อยพุทธเจ้าเริ่มด้วยคำตวาดไล่แต่ไม่ใช่คำหยาบคายนะบอกว่าวักกาลิเธอจงถอยไปเดี๋ยวนี้คำนี้นะโยมนะทําให้เพราะวักกาลิที่คอยแอบชื่นชมด้วยรูปชมความหล่อเหลาพุทธเจ้ามา้วยหลอดชื่นชม ถูกไล่ออกอย่างนี้นะโยมนะเรียกว่าแทบจะตกจากสวรรค์ทุกอย่างความหวังเลิศเลยว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยถูาพเจ้าบอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้เธอเนี่ยทุกอย่างงวบเหลือทางเดียวคือฆ่าตัวตายตกขนาดนั้นนะเอา้าบางคนใจไม่แข็งพอนะแม่สักผ้าให้แม่ไปส่งโรงเรียน แม่ดูทีเดียวคู่คอตายอะ่ะต้าไม่จัดแยกขนาดนั้นเนาะแต่ผูใ้ใจเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นผู้เจ้าเป็นอุบายเป็นขั้นเป็นตอนเอาละ่ะจะทําให้วัคคารีแบบสังเวชสลดใจสุดๆซะก่อนวัคคารีก็ไปเลยหน้าผาลองให้สื่อเซือื่นเป็นนั่งเซื่อื่นอยู่หน้าผาผู้เจ้าไม่ชอบแล้วผู้เจ้าเบื่อหนายแล้วผู้เจ้าขับไล่เราแล้วเราจะอยู่ทําไม จะโดดหน้าผานี่แหละตอนเนี้ยตอนแบบใจตกสุดๆนี่แหละถ้าได้ยินคำพูดธรรมดาธรรมดาแค่คำเดียวมันก็ชื่นใจนะพระวิเจ้านั่งอยู่พระคันธะกุฏีนั่งอยู่ในกุฏิเนรมิตรพระองค์เองไปอยู่รัสมีใกล้ๆแล้วก้องเรียกว่าวักกะลิมาทางนี้ได้แล้วเท่านั้นละยอมบุย เหาะมาเลยไม่รู้รอยมาตั้งแต่ได้เมื่อไหร่ปีติและปราโมทมันมีกำลังแรงกล้า้อยมหาผู้เจ้าผู้เจ้าแสดงทำให้ฟังเวลานั้นน่ะบรรลุธรรมได้เห็นไหมเสียงของผู้เจ้าในไม่ธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าบรรลือศีหันนาถพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตใจอ่อนโยนสังสมบุญกรรมมามาก ได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสามารถบรรลุธรรมได้แต่มีบางกลุ่มบางคนกระด้างอะไรก็ให้ทานอะไรก็รักษาศีลอะไรก็นั่งแต่สมาธิแล้วจะทําทําไมให้ไปทําไมทานเสียเงินเสียทองเก็บไว้ใช้ตอนแก่เท่าดีกว่ารักษาทําไมศีลเราไม่ได้ไปทําความชั่วอะไรสักหน่อยไปเจริญทําไมสมาธินั่งเหมือนคนไม่มีความคิด อเขาก็ว่าเป็นนายโยมนะพวกเนี้ยใช้สีหนาตไม่ได้แล้วต้องเอาขั้นเด็ดขาดต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริ์พวกนี้ยรู้ไหมพวกไม่ชอบให้ทานไม่รักาศีลไปไหนไปส่องพระโยไมไปส่องพระพวกนี้ไม่ชอบไม่ทานไม่ชอบรักษาศีลกระดา้างแม่บ้านจะไปวัดไปทําไมก็นักหนาวัดบางทีดูเอาอีก แต่ตัวเองไม่ชอบอ่ะแต่ไปชอบอะไรที่เป็นเครื่องรางของขังอิทธานุภาพดังนั้นพระบุตรเจ้าจึงบรรลุสีหานาฏได้ใครก็ได้ไปคนไม่ได้กระด้างกระเดื่องพระเจ้าแสดงอิทธิปา r i t ารจึงเอากลุ่มพวกกระด้างเนี่ยอยู่ในอำนาจได้จึงแสดงทำให้ฟังทีหลังแสดงฤทธิ์ให้เขาตึงตะลึงพึงเพิดชื่นชมก่อน แล้วค่อยสอดแทรกด้วยเนื้อหาธรรมะเขาก็บรรลุธรรมได้ดังนั้นราชสีเนี่ยจึงเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนราชสีเฉพาะสองประการ น, นี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่โอ้ยถ้าพุทธเจ้าเหมือนราชสีก็แย่เลยสินะเดี๋ยวขนขึ้นเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกันสองอย่างนะจาไว้นะ ก็คือเดชานภาพของราชสีมีสองอย่างปกครองสัตว์ป่าด้วยเสียงคำรามและด้วยเขี้ยวและกรงเล็บอย่างนี้สองคืออิทธานภาพของราชสีไงขั้นสุดท้ายเอามาอยู่แสดงอิทธิปาฏิหารเล็บตวัดปบหน้าแฮกอย่างนี้นะโยมนะเลยมันก็ขย่ําคอกัดอย่างนี้ยอมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบรรลือศีหานาแสดงธรรมน้อมนำศรัทธา คนได้ฟังธรรมมีความศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ให้ทานจึงได้รักษาศีลจึงได้ฟังธรรมจึงได้จเจริญกรรมฐานฝึกอบรมจิตอบรมปัญญาส่วนบุคคลกระด้างกระเดือนไม่มีศรัทธามีแต่ปัญญาแล้ไม่ยอมใครง่ายๆพอเห็นอิทธิอิทธิ ป, ปาฏิหารของผู้เจ้าจึงยอมจะฟังนี่สองอย่างเหมือนกันไง ราชสีสองอย่างพุทจาสองอย่างมีส่วนคล้ายคลึงกันดังนั้นเวลาเขาปั้นรูปพระพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าจึงหน้าอกใหญ่อย่างนี้ปกติพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมมหาบุรุษลักษณะสาบสองประการเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเพราะพระพุทธเจ้ามีมหาบุรุษลักษณะบอกว่ามีกายส่วนหน้าเหมือนราชสีก็คือดู ชายกำยำแต่ไม่ได้ผมจีวรล้วมองเห็นนมนะจริงๆพระเจ้าก็มองไม่เห็นนมอะ่ะ <c oughs> ส่วนใครจะปั้นรูปพระเจ้าให้เหมือนนมเห็นนมไปด้วยนะะ่และแล้วแต่เขาเขาอ้างแต่พุทธศิลป์ศิลปะเขาเป็นอย่างนั้นเอาล่ะทีนี้เข้ามาใกล้เข้ามาหน่อยตอนนี้เรารู้จักพระพุทธเจ้าไปบ้างพอสมควรแล้วมีส่วนที่เราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีกว่า น, นี้ก็คือว่า พุทธชยันตีที่แปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่แปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาออกปัญหาอยู่นั่นก็ดีอยู่ไหนก็ตามถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้อะไรยมตอบว่าไงอ่ะคําตอบคืออะไรเราจึงจะให้คะแนนเต็มสิพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้อะไรหนึ่งอริยสัจสี่สองปฏิจจสมุป บ, บาท 3อภิธรรมเจ็ดคำพีร์่อะไรคือคำสอนทั้งหมด อ, อย่างเงี้ยยมเลือกข้อไหนใครคิดว่าพระเจ้าตรัส ร, รู้อริยสัจ4ี่ยกมือใครคิดว่าอย่างอื่นไม่ใช่อริยรรรสัจ4ี่ยกมืออ๋อไม่มีใครเลยเนี่ยอริยรรสัจสี่เป็นเอกฉันเลยนะเนี่ยแล้วเคยอ่านขั้นตอนพุทธเจ้าตรัส ร, รู้รำไหม ในปฐมยามผู้เจ้าบรรลุผุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ของส่วนพระองค์ยามที่สองบรรลุจิตตูประพาทยานระลึกชาติของคนอื่นที่เกี่ยวข้องและสัตว์อดือดทั้งหมดได้ยามที่สามก่อนสว่างสิ้นอาสวะกิเลสบรรลุอาสวะขยญาณาอารุณขึ้นพอดีนับว่าการตัดสู้ผู้เจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แบบมีกล่าวที่ไหนว่าตัดสู้นิยาาสัตสี่ห เออหรือว่าตำราเขาเขียนผิดเอบอกไว้อยู่มัง้งอาจารย์อ่านมาไม่ครบมัง้งทีนี้จะเลยจะมาจัดลำดับให้ดูคืออย่างนี้นะโยมนะหลักศาสนาทั้งหมดแปดหมืนสี่พันหลักเนี่ยคนที่เก่งศาสนาที่สุดคือเก่งศาสนาสงเคราะห์ ธรรมะไหนๆหนไหไหนก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่ได้ไหมธรรมะไหนไหนไหนก็สงเคราะห์ลงในอิทธิบาทสีได้ไหมธรรมะไหนไหนก็ลงสงเคราะห์ลงในสัมมประธานสี่ได้ไหมสงเคราะห์ลงในโพชฌงเจ็ดได้ไหมสงเคราะห์ในเอรรยมักองแปดได้ไหมสงเคราะห์ในนวังคสตุศาสตร์ได้ไหมสงเคราะห์ในโพธิปัจิยธรรมสาบเจ็ดได้ไหมเพรานับได้ตั้งแปดหมื่นสี่พันนับไม่ไหวอ่ะ ข้อนั้นกับข้อนั้นข้อนั้นนั้นเป็นทุกขอริยสัตว์อย่างนี้ได้ไหมข้อนั้นกับข้อนั้นข้อนั้นนั้นสงเคราะห์ลงในสมุทัยสัจจะอย่างนี้ได้ไหมข้อนั้นข้อนั้นนั้นสงเคราะห์งในนิโรธสัจจะได้ไหมข้อนข้อนี้ข้อนี้สงเคราะห์ลงในอริมคคัสัจจะได้ไหมเออเนาะหรือว่าการบรรลุพระเจ้าในวันนั้นเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าเป็นอริยสัตว์สีแต่มีการสงเคราะห์ในทฤษฎีคำสอน หรือภายหลังจากตรั ส, สรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้พิจิ๋งหลายฟังว่าพิจิ๋งหลายเราได้ตรัสรู้อริยสัจสีมาแล้วก็ไม่มีคำบอกอีกเออเนาะและตกลงพระเจ้าตรัสรู้อย่างไงตรัสรู้อะไรจึงถูกขนานพระนามในวันนี้ว่าพุทธชยันตีมารู้สักหน่อยมารู้สักหน่อยยอมเข้าใจคาว่าปัญญาไหม เอายากขึ้นเข้าใจคําว่าญานไหมไม่ใช่ยอยักษ์สารานอหนูนะยอผู้หญิงสังระานอเนนถ้าไม่ชัดเอาปัญญากับญานมารวมกันก็นกนได้ปัญญาญานแต่ไม่ใช่ปัญญายาณยอยักษ์สารานหนูอีกนะปัญญาญาณอ๋อแต่ปัญญายาณ ย, ยังไม่เข้าถึงธรรมปัญญายานเขพูดทั่วๆไปภาษาตลาดเอาเอายะถาภูตะญานดีไหม เฮ้ยเริ่มจะยากแล้วนะเนี่ยอะไรคือยถาภูตัยานหรือยถาภูตญ า, าณทัศนะอุ้ยยากขึ้นกว่าเดิมอีกเนาะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยหรือวิมุตติยานดีไหมยิ่งแล้วใหญ่เลยทีเนี้ยหรือวิมุตติญาณทัศนะโหยากขึ้นอะไรละทีเนี้ยก็คือปัญญาก็คือยานนี่แหละ ดังนั้นปัญญาเนี่ยจึงถูกแบ่งออกเป็นสองหลักใหญ่ๆ 1. เอาวันนี้เอาจุดแบ่งวันนี้นะเอาจุดแบ่งวันนี้ 1. คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตเรียกว่าพุทธบาลระมียาน 2. ญยานที่เกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธเจ้าตรสัรตรสรู้ตรัสรู้ตรัสรู้สามยาน สามานญานใดที่เคยสั่งสมบางระมีมาเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธบางระมียานส่วนญานใดที่เกิดเสริมขึ้นต่อยอดจากพุทธบารมีญานให้บริบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยเรียกว่าโพธิยานเรียกเต็มๆก็สัมมาสัมโพธียาน อ๋อถ้ า, างี้เคยได้ยินชื่อแล้วแม้แต่ต้นโพเนี่ยเพราะอยู่ตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าใช้ญานระดับสูงตรัสสรู้ญานระดับสูงที่พระเจ้าตรัสรู้ในวันนั้นน่ะคือโพธิต้นไม้ต้นนี้ก่อนนั้นเรียกว่าต้นอัศ ธ, ธาพฤกพอพระพเจ้าตรัสรู้เรียกตามปัญญาพระเจ้าว่าต้นโพเป็นมงคลแก่พวกเราก็เลยเรียกต้นพระศรีมหาโพ ุู้เจ้าบางองค์อย่างเช่นเวลาเราเปไล่พระพุทธเจ้ายี่สิดพระองค์บางองคตัสรู้ใต้ต้นตะเคียนบางอง์ตัสรู้ใต้ต้นกลุ่มบางองคตัสรู้ใต้ต้นขนุนบางองตัสรู้ใต้ต้นสารพัดเจตนแต่เมื่อผู้เจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ใดๆแล้วเรียกต้นไม้ชนิดนั้นว่าต้นโพเหมือนกันหมดเพราะเรียกตามโพธิญาณปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้แหละเอาละตอนนี้ จะมาขมวดปัญญายานสองระดับนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นจะได้เห็นว่าพระเจ้าตรัสรู้อย่างไรจะเาลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาญานมาก่อนที่เรียกว่าพุทธบาลระมีญาณถ้าตรงๆเนี่ยได้ด้วยการสั่งสมปัญญาบาลระมียมรู้จักบาลระมีไหมบารมีออรู้จักมันคืออะไรบารมีเนี่ย เออรู้จักคํามาแล้วแต่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันเป็นตัวยังไงเอาใครรู้ว่าบางระมีคืออะไรให้คําจํากัดความบอกเลยแล้วกันนะจะได้ไม่คิดเมื่อยนะบางระมีเนี่ยแปลว่าสิ่งประเสริฐเพราะไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าอีกแล้วจึงเรียกสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ทุกแบ่งประเภทแตกต่างกันเป็น10ประเภทเนี่ยว่าบางกระมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ 2. บางกรมีเนี่ยเป็นข้อประพฤติของบุคคลผู้ประเสริฐอันแรกบาลมีเป็นตัวประเสริฐอันที่สองเนี่ยบุคคลใดประพฤติบุคคลที่ประเสริฐใดโลกใดประพฤติปฏิปทาใดให้เรียกปฏิปทาของคนประเสริฐเขาทำกันนะว่าบางกระมี ดังนั้นพอบอกว่าคนมีบางกรมีก็คือคนประเสริฐมีข้อปฏิบัติที่ประเสริฐนั่นเองในบางกรมีถูกแยกเป็นสิบใครจำบารมีสิบได้ลองยกมือหน่อยโอ้ลวลายฟังหน่อยสิไม่ต้องไหมทานาปารามีอไม่จบสักทีอะกว่าจะครบสิบอะ เอาแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมทานศีลเอาละไล่ไม่ถูกแล้วทีเนี้ยมันต้องไปสวดสัก่อนถึงจะนับถูกอีกนะเนี้ยถ้าไม่สวดนับไม่ถูกนะอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีลัดๆนะทาสีเนปันวีขันสัตว์อะเมอุง่ายไหมเรีก <c oughs> <c oughs> ว่าเนกว่าง่ายเลยนะเนี้ยเอาลองว่าตามหน่อยสิทาสี เนปันวีขันสัตอะเมอุทาศีเนปันวีขันสัตอะเมอุทาศีเนปันวีขันสัตอะเมอุหัวใจบางกระมีลิเกนะยอมนะลิเกนะนางเอกลิเกพระเอกลิเกพระราชาในเรื่องลิเกนะใครไม่มีอ้อบทท่องบทลิเกนะจำไม่ได้หรอก เวลาเขาไหว้ครูเขาก็ทาศีเนปันวีขันสัตะเมอุเพียงแล้วก็ไปท่องบทที่จะออกมาร้องได้ทุกบทนั่นแหละ<โดย>นี่เขาเรียกว่าหัวใจบางกระมีทาสีเนปันวีขันสัตอะเมอุก็คือเอาคําแรกของบาลมีสิบมาเรียกเลยทาศีเนปันวีขันสัตอะเมอุถ้าจะเอามหาชาติชาดกก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง เตชะสุเนมะภูจนาวิเวอะไรนะักอีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อชาตินะทีนี้มาดูว่าบางกระมีที่พระพุทธเจ้าสังสมโดยจำเพาะคือปัญญาบางกระมีเนี่ยเมื่อบริบูรณ์ด้วยลำดับบารมีแต่ยังไม่บริบูรณ์ด้วยพุทธญาณเพราะบารมีที่พระเจ้าสังสมมาเนี่ยบอกว่าเต็มเนี่ยนะ เต็มอย่างไม่มียอดแต่พอใส่โพธิยานเข้าไปปุ๊บนายโยมนะบารมีญานพุทธบารมีญานเหมือนเรือนแหวนทองที่ทําเสร็จแล้วยังไม่ได้ใส่หัวแหวนแต่ก็ใส่ได้นะใส่ได้อุย้ยแหวนต้องคําอุย้ยสวยจังเลยถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องมีหัวแหวนขนาด น, นี้ก็สวยมากแล้ว ขายได้ราคาเต็มแต่พอใส่หัวแหวนลงไปเป็นแก้วมณีแก้วมณีโชตอะไรก็ช่่งนะจะทำให้แหวนเนี่ยโอ้เห็นเต็มเต็มเต็มจริงๆเหมือนกันพุทธบางกรมียานที่สั่งสมมาตลอดสี่สงไขแสนมหากับเนี่ยเป็นปัญญาระดับบางกระมีเรียกว่าพุทธบางกระมียาน หรือเรียกว่าพุท ธ, ธากางระกธรรมหัวข้อธรรมที่จะทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอวันตรัสสังรูเนี่ยเติมบางระมีเอาขอไปเติมโพธิซึ่งเป็นปัญญาญาณระดับสูงกว่านั้นอีกเข้าไปอีกสามประการจึงทำให้ความเป็นพุท ธ, ธเนี่ยสว่างสวัยขึ้นมาเหมือนแหวน แหวนน้องคำเอาไปส่งใส่ไฟก็วัแว บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บสวยเดินนะด้วยสีทองนะตปใส่หัวแก้วมณีเข้าไปโอ้สว่างเจิดจ้าและยิบละยับเหมือนกันโพธิญาณสามประการเนี้เป็นเครื่องหมายขั้นตอนบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสงรู้เป็นพระพุทธเจ้าลองขยายสะหน่อยนะเราจะได้เห็น ข้อทียานของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วได้มาจากไหนทําไมถึงได้อย่างนั้นเราทั้งหลายไม่ใช่ผู้ตัสรู้เนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสามารถสั่งสมบารมีญานแบบนั้นได้บ้างหรือไม่เดี๋ยวจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันก็เป็นเรื่องห่างเรามากเกินไปถ้าบอกว่าเราจะตัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเออค่อยใกล้เข้ามาหน่อยใครอยากตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าบางยกมือทีเนี่ย ใครยังละอะไรอวรนไหมมานั่งอยู่นี่มองในกาแล้วในกายอีกหลานรอนแล้วหรือยัง <S <S ดูนะแบ่งให้นะอันนี้คือพุทธบารมีญาณคืออุดหนุนสนับสนุนเกื้อหนุนประคับประคองโพธิญาณให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงบารมีสิบเรารู้มาแล้วทาน ศีลเนคขมมะออกบวชนะนะปัญญาวิยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขารู้แล้วแต่ว่าโพธิญาณมีสยิ่งใหญ่เพราะเกิดขึ้นในอัจฉรยิยะใสของผู้สังสมบางกระมีมาเต็มเท่านั้น <c oughs> เหมือนกับว่าบันไดมี9ขั้นตอนนี้เราทำขั้นบันไดได้แดขั้น เราก็สามารถขึ้นขั้นที่เก้าได้ <c oughs> ขออภัยแต่ถ้าใครบันไดขั้นแรกก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ขึ้นจะบอกว่ากระโดดข้ามเหยียบขั้นที่เก้าเลยได้ไหมอเลยเนี่ยนะโดยในยะพื้นฐานทั่วไปก็ไม่ได้นะ <c oughs> ทีนี้มาดู <c oughs> โพธิยานท <c oughs> ี่ว่าเนี่ย <c oughs> ลองดูเนื้อหาของโพธิยานนะหนึ่ง ภพเพนิวาสานุสตรนะรนะิระลึกถึงกรรมดีนะระลึกถึงกรรมดีนะระลึกถึงกรรมดีย้อนหลังไปได้ถ้าได้อภิญญาน้อยระลึกได้น้อยชาติได้อภิญญามากระลึกได้มากชาติได้สมาบัตแปดด้วยระลึกได้ตามประสงค์ทุกๆุกชาติ ระ ล, ลึกดูอะไรของตัวเองระ ล, ลึกไปว่าเราเกิดชาตินั้นนั้นเนี่ยเราได้ทาอะไรเป็นบากระมีชาตินั้นเราเคยให้ทานยิ่งใหญ่กว่ารักษาศีลหรือรักษาศีลยิ่งใหญ่กว่าให้ทานหรืออยากจะออกบวชบาเพ็ญพรตมากกว่าให้ทานรักษาศีลหรือเป็นคนที่บำเพ็ญความอดตั้นอดทนหรือบำเพ็ญบาเพ็ญประเภทเพียรกล้าไม่หยุดไม่ย่อน หรือว่าเป็นคนที่ใช้ปัญญาเพ่งพิ จ, จารณาดูเหตุดูผลอันควรไม่ควรหรือว่าใช้จเจริญเมตตาภาวนาเผื่อแผ่เมตตาต่อผู้อื่นที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลําบากหรืออธิษฐานในจิตว่าเราจะทํากรรมดีให้นี้ให้ได้เท่าที่กรรมดีนั้นยังทําไม่สําเร็จจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดหรือว่า เมื่อลงมือทำสิ่งใดไปแล้วไม่ได้ดังปรารถนา mm hmm. ก็อย่าให้ความพอใจความไม่พอใจมันบีบคั้นวางใจให้พอดีพอดีว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้เองเป็นอุเบกขาได้เนี่ยดูซิว่าย้อนหลังไปอ๋อชาตินั้นเราบาเพ็ญบารมีนี้ชาตินี้เราบาเพ็ญบารมีนี้แล้วไม่ใช่เท่านี้นะเกิดชาตินั้น่ะเราเกิดเป็นใครเป็นพระราชา เป็นเศรษฐีปุโรหิตอมสา์หรือเป็นเทพเจ้าหรือเป็นพรหมรเจ้าหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าลืมนะผู้เจ้าเนี่ยได้รับพยากรว่าจะได้ตดรัสรู้เป็นผู้เจ้าเนี่ยยังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งสิบแปดชาติเช่นกระต่ายพระโพธิสัตว์เป็นต้นกระต่ายไหนเอากระต่ายที่อยู่บนดวงจันทร์เนี่ยใครเคยเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์ไ้ยใครยังไม่เคยเห็นกรุงเทพ อ, อาจจะไม่เห็นนะเพราะว่า ไฟมันสว่างกว่าดวงจันทร์ลูกกระต่ายบนดวงจันทร์เขาเล่าเสริมเอาไว้ว่าพระโพธิสัตว์ชาติแรกเลยนะไปอ่านพระเจ้าห้าร้อยชาตินะชาติแรกนะทานบารมีเกิดเป็นกระต่ายเห็นฤาษีเข้าสมาบัติองค์หนึ่งร่างกายผอมเหลืองขาดอาหารแต่เมื่อฤาษีนั้นออกจากสมาบัติมาเดินไม่ไหว กระต่ายก็เห็นอาการโซเซโซเซแล้วกขลม้มลงเดินขึ้นมาโซเซล้มแล้วจะไปหาผลมะพร่างไม้จะไปเที่ยว บ, บินธบธิษาอาจารย์ได้ยังไงถ้าไม่ได้อาหารฤาษีองค์นี้ตายวันนี้แน่เลยกระต่ายเลยอยากบำเพ็ญบานกระมีสระเนื้อของตัวเองให้ฤาษีกินก็เห็นกองไฟครุครุที่ฤาษีก่อเอาไว้ก่อนเข้าสมาบัติเนี่ยมันยังมีฐานครุกลุ่นอยู่ กรตก็เลยตัดสินใจว่าจะย่างตัวเองให้ฤาษีกินจะย่างยังไงเอาไม้มาเสียบจับเอามันก็ทําไม่ได้นะเสียบก็ตายแล้วทําไงดีนึกอุบายได้แล้วก็เดินถอยออกไปห่างๆกองไฟแล้วก็ประกาศว่าสัตว์เน็กสัตว์น้อยใดที่อาศัยอยู่ในซอกขนของข้าพเจ้าทั้งตัวนี้จงพากันหลีกไปเสเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็สะบัด ต, ตัวสะบัดขนพปื้อย่างนี้นะเดียวนะ สัตว์เล็สันกนกระเด็นกระดอนไปหลบทันก็บางตัวก็ตั้งใจกระโดดออกบางตัวก็ออกไปทางตีดหลุดออกไปประกาศสามครั้งสะบัดตัวสามครั้งจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีสัตว์ไหนจะตายตามตัวเองแล้วจึงกระโจนเข้ากองไฟต่อหน้าต่อตาฤๅษีที่นอนดูฤๅษีเห็นทุกอย่างช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีเกลียวไม่มีแรง ไม่ขนฟุบเหลือแต่ตัวล่อนจ่อนไปไปมามาอ้อสุขหอมกลุ่นขึ้นมาฤศีเข้าใจเจตนาของพญากระต่ายว่าถ้าเราจะไม่บริโภคเนื้อนี้บารมีของกระต่ายนี้ก็จะไม่เต็มเปี่ยมเอาละเราจะทำช่วยให้บารมีของกระต่ายนี้เต็ม ไม่คิดอยากจะกินเนื้อกระต่ายที่เห็นต่อหน้าต่อตาสละตัวเองให้กินขนาดนั้นเลยแต่คิดว่าจะช่วยบารมีของพญากระต่ายให้เต็มจึงได้เคี่ยวเคี่ยเคียวกระต่ายเผามาฉีกเนื้อกินสักพักจึงเมี่ยงเรียวมีแรงออกไปพิกสาจาย์ูกศิษยรับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้พัรนาคุณความดีของกระต่ายให้ลูกศิษย์ฟัง วิสีจึงใช้กธิดที่มีเนี่ยเนรมิตภาพกระต่ายที่อยู่บนดวงจันทร์ประกาศให้โลกของรู้ว่านี่กระต่ายพระโพธิสัตว์ทุกคนต้องเห็นดังนั้นเวลาเราเห็นรูป ก, กระต่ายไม่ใช่จันเอย๋ยจันท์เจ้าขอข้าวข อ, ข อ, ขอแกงเท่านั้นนะโยมนะต้องระลึกถึงบางระมีทานของพระยากระต่ายที่ได้ทํามาเป็นชาติต้นๆที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย หน้าขนาดสัตว์เดชฉานนะยังบําเพ็ญบารมีได้เลยแล้วนะพวกเราที่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ลองทบทวนสิ เ, เราบําเพ็ญบารมีอะไรสักอย่างบ้างหรือยังเนาะยกตัวอย่างง่ายๆลุกไปแล้วเนี่ช่วยเก็บเก้าอี้สักหน่อยจะเป็นบารมีไหมเนา ะ, ะถ้าอยากคิดขึ้นมานะโยมนะมันน่าจะเป็นบารมีเหมือนกันอ้ที่มาดูภพเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปถึงชาติในอดีตหนหลังว่าสังสม ชาตินั้นสังสมบารมีนี้ชาตินี้สังสมบารมีนี้จึงประมวลบารมีออกมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนจนเห็นครบทั้งหมดว่าบารมีนั้นบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทำที่จะทําตนให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุเจ้านะครบถ้วนแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประกายขึ้นในอัธยาศัยของพระองค์ในเวลานั้นคือว่าการเวียนไหวาตายเกิด ยิ่งเห็นชาติเก่าตัวเองมากชาติเท่าไหร่ยิ่งเห็นการเวียนไหวตายเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแทนที่จะย้อนหลังไปดูโอ้ยเราเคยให้ทานโอ้เราเคยรักษาศีลโอ้เราเคยออกบวชชื่นชมยินดีเท่านั้นก็ไม่ใช่นะกับสังเวชใจว่าการยังไม่ถึงที่สุดแห่งสงสารการได้เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัตถสงสารเนี่ยมันคือความทุกข์แสนสาหัส ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เลยเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วดูซิว่าเราก็ายังเวียนไหวตายเกิดมายังไม่จบไม่สิน้นแล้วชาตินั้นเราเกิดเป็นอันนั้นเกิดเป็นสิ่งนี้เกิดเป็นคนนู้นคนนี้แล้วพ้องเราในชาตินั้นน่ะแม่เราในชาตินั้นญาติพี่น้องในชาตินั้นสหายในชาตินั้นเวลานี้เขาไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนกันหนอ โอ้ยานที่สองปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าจุตูปปาตาญานคนที่เคยเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเวลานี้บางคนทํากรรมดีมาไปเกิดในสุคติบางคนทํากรรมบาปมากกว่าไปเกิดในทุกคติยังเวียนไหวตายเกิดยังไม่เห็นที่สุดแห่งวตาสงสารด้วยซ้ําไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นลูกใครแล้วคนนั้นจะได้บําเพ็ญบารมีตามเราไม่ใช่นายมนฑะ บางคนไปเกิดเป็นคนดีแต่พ่อเป็นคนร้ายไปอ่านดูในชาดกมากมายดังนั้นจึงเห็นเวรเห็นกรรมเห็นบาปเห็นวิบากของบุคคลที่เกี่ยวข้องตนในชาตินั้นๆว่าล้วนแต่ยังตายยังเกิดอยู่ไปตามกรรมของตนของตนของตนเห็นชาติของตนก็เบื่อนหน่ายในชาติมากแล้วนี่มาเห็นชาติของคนที่เกี่ยวข้องกับตนอีก ยังไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหเนี่ยความเบื่อหน่ายในชาติจึงพังพรูออกมาถึงขนาดเป็นอุทานออกมาเหมือนคาถาที่ยกขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยอเนกชาติสังสาลังสันทาวทิสังอนิภิสังขหากางรังขเวสันโตทุขขาชาติปุนัะุนังเป็นต้นในที่นั้นบอกว่าเรายังไม่รู้ความจริง จึงยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตสงสารนับชาติไม่ถ้วนบัดนี้เรารู้ความจริงแล้วปัญญาที่รู้ความจริงนะั้นไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ผูเพนิวาสารุสติยานนะไม่ใช่จูวตูปปาตายานนะแต่ปัญญานี้เห็นตัวตัณหาในใจของตัวเองว่าตัวตัณหาเนี้ย เป็นตัวนำให้เกิดเ อ, อ่อคือตัณหาไม่ใช่าราคะเท่านั้นนะตัณหาเนี่ยทัางราคะเท่านั้นเนี่ยหมายเอาโลภะแต่ตัณหาเนี่ยหมายเอาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะชื่อว่าตัณหาตัณหาเนี่ยรู้ตัวเองว่าในภายในขันธสันดานอัธยาศัยจิตใจของตนนั้นนะมีตัณหานี่เองดังนั้น ในขราเห็นตันหาจึงบอกว่าขหาการกระกะทิศโธสิปุณะเขหังนะกาหาสินี่เจ้าตันหาเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเข้าแล้วเมื่อก่อนเจ้าชุกใจของเราให้ท่าเยอท่ยานทําบุญก็อยากเกิดให้ทานก็อยากเกิดมารวยรักษาสิลก็อยากเกิดมาสวยนั่งภาวนาก็อยากเกิดมามีปัญญาดิยากเกิดยากเกิดยากเกิด เกิดรวยเท่านี้ยังไม่พอเกิดชนะข่อยรวยกว่าเก่าเกิดในวันณะชั้นนี้แล้วยังไม่พอเกิดชหนะข่อยเกิดวันณะสูงขึ้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังไม่พอชนะข่อยเป็นเทวดาเกิดเป็นดาวพอชนะข่า้เกิดเป็นพระพรหมพระอินยมยักษ์แล้วแต่ปรารธนาบางคนปารธนาแย่กว่านั้นปรารถนาเป็นผีเสื้อนา่งรักปรารธนาเป็นปลาอิสระแหวกว่ายไปในทางราอยากจะไปไหนไปได้ทุกแห่งเล่าจะอุตส่าห์กระโดดจ๋งกันมาเยอะอย่างมนุษย์อีกฟันหา อะไรต่างวันเนี้ยอยากเป็นสเสด็จฉานก็มีเห็นไหมม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันคือตัวตัณหาภายในใจยานชนิดใดรู้ว่าใจเรามีตัณหานั่นยานชั้นสูงที่สุดในประเภทญานทั้งหมด <c oughs> ยมรู้จักตัวเองบ้างไหมรู้ไหมว่าเวลานี้เรามีตัณหาลองไล่ซีตันหาอะไรบ้างหนึ่งกามตัณหาตาเห็นรูปก็อชอบ ก็ชังเอามันชอบกับชังนะนะตาเห็นรูปชอบชอบหูได้ยินเสียงชอบชอบจมูกได้กลิ่นชอบชอบลิ้นได้ชิมชอบชอบกายได้สัมผัสรูปครลำดูเอยชอบใจเนื้อคิดอะไรมันก็ชอบอย่างนี้เขาเรียกว่ากามตัญหาใครไม่มีแล้วยกมือนัานเต็มเลย มีแต่ว่าจังรู้ไหมล่ะว่ามีเพราะปัญญาระดับสูงพิจารณาเห็นธรรมว่าราคะยังมีอยู่ในใจเราใจเรามีราคะเราก็รู้ว่าใจเรามีราคะใจลดละราคะผ่อนคลายเบาบางลงได้แล้วก็รู้ว่าใจเราเบาบางจากราคะใจเราหมดราคะละกิเลสได้แล้วก็รู้ว่าจิตเราละราคะได้ ใจมีโทสะก็รู้ใจลดโทษะเบาบางลงก็รู้เนี่ยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะท่านเรียกปัญญาชนิดนี้ว่าปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงภาษาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ายะถาภูตญาณนะตามโดยทัศนะอ่ตังหากแปลว่าปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง อ๋อตามความเป็นจริงนี่แสดงว่าเป็นอริสัตย์แน่เลยเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไหมยองอีกใช่ไหมปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละมเป็นอริยสัตว์ต้องบอกว่าตามความเป็นจริงนี่แหละเอาอะไรทีนี้มาดูตัณหาหนึ่งรู้แล้วนะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัณหาที่สองภาวะตัณหาความถ้าเย่อทายานอยากมีอยากเป็น เป็นเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่หาว่าผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กพอไปเป็นผู้ใหญ่อยากกลับมาเป็นเด็กอีกเอาเอาอะไรกันแน่ทีเนี้ยอยากเป็นเจ้านายดีไม่ดีอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดีไม่ดีอยากจะเป็นเท้ามหาพรหมอยากจะเป็นอยู่ที่ว่าเวลานั้นอยากเป็นอะไรไปนั่งอยู่สวนหลังบ้านเห็นผีเสื้ออยากเป็นผีเสื้อเห็นนอนมันตาแล็กน่ารักก็อยากเป็นนอน อยากจะเป็นสารพัดสวัเทความอยากเป็นในภพนั้นในชาตินั้นคิดว่ามันจะดีกว่าภพชาตินี้ที่ตัวเองกาลังทุกข์ยากลาบากเลยนะ mm hmm. เขาเรียกว่าภาวะตัณหามีไม้มอยากเป็นตอนนี้ไม่อยากเป็นอะไรเลยมีไหมลองยกมือหน่อยสิไม่อยากเป็นอะไรละแล้วแล้วอยากเป็นอะไรล่ะไม่ต้องมาถามเพราะแต่ละวันมันพรั่งพรูมานับไม่ถ้วนว่าอยากเป็นอะไรบ้าง ถ้าดูละครเห็นนางเอกดีอยาเป็นนางเอกนีบดีคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกไปกับเขาด้วยซะเลยนะบางทีอะความอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นมันเป็นภาวะตัณหามีไหได้ใจมีไหมมีแล้วเห็นไหมว่ามันยังมีอยู่อะถ้ามันมีมีมีเนี่ยยังไม่มีปัญญาแต่ถ้าเห็นว่ามันมีเนี่ยมีปัญญาระดับสูงแต่เห็นว่ามีปัญญาเนี่ยยังไม่สูงพอต้องเห็นในขนาด ตัณหานั้นเราละได้แล้วก็รู้ว่าใจเราละได้แล้วต้องปัญญาสูงขึ้นไปตามลำดับลำดับอย่างนี้มันถึงจะสูงขึ้นขั้นตรัสงรู้อามาดูตัณหาที่สามที่ยังมีอยู่ไหมวิภาวะตัณหาไม่เขาแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ธรรมาแปลว่าอยากไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นแต่อยากนะเพราะตัณหาแปลว่าอยากไงอยากไม่ให้มันมี ไอ้ไหนที่มันมีแล้วก็อยากไม่ให้มันมีอยากทำลายอยากทุบทิ้งอยากคว้างทิ้งอยากทำให้มันย่อยยับอยากทำให้มันดับสลายอยากให้มันอันตรธานไปเขาเรียกว่าอยากแต่ในความหมายวิวัฒนาเนี่ยคือความขวายอยากแม้กระทั่งไม่อยากอยากที่จะไม่ให้เป็นอะไรอะไรอีกเลยที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดประสบทุกข์ในวัฏฏสงสารเนี่ย มุ่งเพื่อจะไปถึงมรรคผลนิพพานเะนี่ยมุ่งไปอย่างนั้นอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นภาษาภาษาชาวบ้านง่ายๆ ย, ยานชนิดนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าดูจิตของตัวเองจึงเห็นตัณหามันหมักหมมอยู่ลึกๆเหมือนน้ำผักดองนอนตะกรอนตกตะกรอนอยู่ก้นโหลก้นขวด เทแล้วล้างแล้วสกดตบไมค์ขัดแปลงทูสารพัดไปตากแดดไว้มาแข่งดูอา้าวมันจะ ก, กระด่างกระด่างอยู่เนี่ยมันติดเป็นคราบอยู่ก้นขวดก้นแก้วเนี่ยเอาใหม่ขัดใหม่พยายามมากขึ้นเอาบารมีความเพียรมาใช้ได้ไหมขัดออกไหมเออเอาอะไรมาขัดนึงออกเอาขันติบารมีไม่ให้มันเบื่อไงในการขัดขัดช่วยกันได้ไหม เอาปัญญามาใช้เอาทุกอย่างที่เป็นเนื้อบารมีเนี่ยมันรวมกันเข้านะโยมนะมันถึงจะขัดไว้นะไอ้คราบที่มันติดอยู่ก้นขวดก้นแก้วเนี่ยนะมันติดหมักมานานเนี่ยนะไม่ใช่จะขัดได้ง่ายๆนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เห็นว่าตัณหาที่มันหมักหมมเขาเรียกตัณหาชนิดที่มันหมักอยู่นานว่าอาสวะเพราะอาสวะเนี่ยรวมไปถึง น้ำหมักชนิดต่างๆที่ทำให้เราเมาด้วยเขาก็เรียกว่าอาสวะถ้าของมึนเมาเขาก็เรียกว่ามึนเมาถ้าของไม่ใช่มึนเมาเขาก็เรียกว่ามัวเมาไอ้ตัวตันหาที่ว่าเนี่ยมันทำให้เรามัวเมามัวเมาใน ว, วัยว่ายังสวยว่ายังไม่แก่มัวเมาในศิลปะว่ายังเรียนไม่พอใจ อยากจะได้ดอกเตอร์สักสามใบยังมีคนทาอยู่นะดอกเตอร์สามใบเนี่ยมัวเมามากมายในทรัพย์สินเงินทององค์ความรู้บริษัทรบริวารมัวเมาอยู่ทุกอย่างตัวไหนคือตัวรู้ตัวไหนคือตัวรู้ลองไล่ลำดับมาสิเริ่มตั้งแต่พุทธบาลมีญาณสิประการขามวดเป็นปลายแหลม มาถึงผูเพนิวาสผู้เพยนิวาสานุสติญาณและจุตูป ป, ปยาตญาณเบื่องในในการเกิดมาถึงอาสวะขย า, ยานรู้ว่าตัณหาที่มันหมักอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องทำลายให้ปี้ปน่นใช้ประหารคือมัคคยานขั้นสูงเรียกว่ามัคคายานเลยนะมัคคยานขั้นสูงเนี่ยเรียกว่าโพธิญาณ มัคคยานสั้นขั้นสูงเรียกว่าอัครหัตตมัคคยานไล่ลงมาให้เราเห็นชัดๆก็คืออริมัคประกอบด้วยองค์8ประการระดับเข้มข้นสุดยอดเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นตามความเป็นจริงมาตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติยานตั้งแต่จตูปปาทายานสัมมาสังกปะดํมิยิเริ่มที่จะละตัณหาให้ได้สัมมาวายมาัคภาคเพียรเข้า สัมมากรรมตาอาชีวะนไม่ต้องกล่าวถึงแล้วเล็กๆน้อยสัมมาสติสัมมาสมาธิมุ่งมั่นตั้งแต่วันนั่งคูบันลังอยู่ใต้ต้ม้สีมหาโพธิเปรงวาจาปนิธานว่าถ้าไม่บรรุจะไม่ลุกมุ่งมั่นขนาดนั้นจนขมวดเข้าขมวดเข้าขมวดเข้าผสมผสานด้วยยานชั้นต่างๆๆมาจนถึงขั้นอาสวัคยญาณ จึงได้แปลงอุทานออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนด้วยปีติเ อ, อิบอิ่มและความสุขที่ไปถึงขั้นสุดท้ายคือวิมุตตคือจิตหลุดพ้นจากอาสวะอุทานออกมาเป็นภาษาที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเลยยงเขาเรียกคาถานี้ว่าคาถาตาทิพย์ยง ใครได้คาถาเนี่ยมองอะไรทะลุปูโป่งหมดนะอยากได้บ้างไหมคาถาตาทิพย์ไม่ใช่มองแล้วเห็นทะลุหมดนะอยากเห็นเท่านั้นจึงได้เห็นคําว่าตาทิพย์ของพุทธเจ้าจากสูทิพย์หรือตาทิพย์อะประสงค์เห็นสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นไม่ใช่มองไปแล้วเห็นปนกันหมดไม่ใช่ใครอย่าแด้คาถาตาทิพย์บ้างยกมือไม่ใช่เห็นสิ่งที่เห็นดังตาอย่างเดียว แต่เห็นกิเลสในจิตเนะ่เห็นตัณหาภายในใจเ่เห็นวิธีที่จะละตัณหาได้ขนาดนั้นนะจึงเป็นคาถาตาทิพย์จริงเรียกคาถาว่ายาณจักสุวไม่ใช่มังสจาจักสุปัญญาจักสุวตาปัญญานะ่เอา้าใครอยากได้แล้วจะบอกให้ ย, ยกัป ย, ยกเ ล, เล่นๆเอาจริงไหมเอาคาถาวายฟังยังไง อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขะาาการังขเวสันโตทุขาชาติปุณปุนังวายฟังตอนขึ้นเทศใหม่ๆนะคาถานี่ก็แปลว่าเราไม่รู้เจ้าตัญหาที่ฝังแน่นอยู่ในใจ จึงยินดีท่องเที่ยวไปในภพชาติต่างๆเป็นอันมากไม่รู้จักจบสิ้นแต่เดี๋ยวนี้นี่เจ้าตันหาเอ๋ยแบบนี้เราได้ค้นพบเจอเจ้าเขาแล้วเจ้าจะสร้างความหวังให้เราไม่ได้อีกแล้วเพราะเวลานี้เราเบื่อหน่ายในการเกิดมากแล้วไม่หวังอะไรทั้งนั้นเจ้าตันหาจะมาสร้างความหวังให้เราอีกไม่ได้ เพราะโครงสร้างคือความหวังของเราเนี่ยเราก็ได้ทำลายมันหักพังปี้ป่นหมดแล้วแม้แต่ยอดของเรือนซึ่งเป็นที่สุดยอดว่าเมื่อสร้างเรือนใส่ ย, ยอดเมื่อไหร่บ้านเสร็จไงเมือนก็ว่าเราเข้าไปสมัครทำงานใ ห, หม่ถ้าเราได้เป็นผู้จัด ก, การก็ถือว่าสุดยอดความปรารถนาถูกไหมก็ไต่เต้าขึ้นไปอ้าวขึไปเป็นฝ่ายบุคคลฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ไปเป็นผู้จัด ก, การเป็นผู้อธารกรรมการ เป็นผู้บริหารถือว่าสุดยอดแล้วนะตามความปบาดนาใช่ไหมแต่พระบุตรเจ้าก็มีสุดยอดความปราถนาแต่ตอนนี้สุดยอดคือรอดยอดเรือนยอดตันหาที่ตั้งเอาไวนะ้นั่นแหละได้กระชากลงมาหักทําลายหมดสิน้นก็เท่ากับว่าความถ้าเยอทยานอยากได้อำนาจตันหาในจิตนั้นไม่มีต่อไปอีกหมดจบจึงได้เปล่งอุทานออกมาว่า เวลานี้จิตของเราอัะไรอะไรก็ปรุงแต่งไม่ได้แล้วเพราะจิตของเราถึงภาวะสิ้นตัณหาแล้วณบัดนี้นี่คือความบริบูรณ์ลำดับยานที่พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าตรัสสังรูเรียกยานสามประการที่เกิดขึ้น ในสามช่วงคือปเุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติหนหลังว่าทําบุญอะไรมาบ้างจูตูปปาตยานระลึกถึงชาติที่คนที่เกี่ยวข้องกับเราไปเกิดอยู่และอาสวะขยายานเห็นตัณหาความทยานอยากนั้นนะหมดสิน้นดับลงเรียกยานนี้รวมกันเข้าว่าโพธยานไม่ใช่บารมียานเรียกว่า โพธิยานคือปัญญาเครื่องตรัสรู้บางทีท่านกงเรียกโพธิยานด้วยเต็มยศว่าอนุตตะระสัมมาสัมโพธิยานเรียกแบบเต็มยศแปลว่าอะไรปัญญาเครื่องตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีปัญญาใดจะเสมอเหมือนจึงเรียกว่าอนุตตะระสัมมาสัมโพธิยาน หรือบางทีท่านก็เรียกอ น, นุตัติรัสมาสัมโพธิญาณอีกอย่างหนึ่งว่าพระสัพพัญยตญาณครบถ้วนไหมเนื้อหาใครยังอยากจะรู้ซอกไหนมุมไหนของระดับการตรัสรู้อีกบ้างต่อให้อยากรู้ต่อให้ฟังอีกสี่อสงไขยแสนมหากับ <c oughs> ถ า, บารมียานอื่นๆยังไม่ ครบถ้วนบริบูรณ์ไปพร้อมๆกันเนี่ยปัญญาเครื่องตรัสรู้นั้นอะระดับพระพุทธเจ้าไม่มีแต่สามารถตรัสรู้ระดับพระสาวกของพระพุทธเจ้าลองลๆมาได้อีกเห็นไหมภาษาอังกฤษบวชพระโมคคัลลานะไม่ได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่อาศัยฟังธรรมเทศนาคําบอกคําสอนอุบายวางใจประคับประคองอธิยาไสายย้นี้นี้ ก็สามารถเข้าถึงการตรัสรู้ได้แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฟังก่อนจึงบรรลุดังนั้นในขณะที่เรานั่งฟังอยู่วันนี้เนี่ยเราก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันด้วยเหตุคือการฟังสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้แหละแต่เมื่อฟังไปแล้วลุกออกหนีไปใจมันก็ส่งไปที่พรึบหายหมดแล้ว แล้วมันหายต้องรอวิสาขาปีหน้านะมันถึงจะกลับมาอีกนะไม่ใช่หายไปครู่เดียวนะแล้วจะตรัสรู้ <c oughs> ตรัสรู้เนี่ย ม, ม, มันก็ยากเหมือนกันนะดังนั้นถ้าจะให้ดีเราสงเคราะห์ใส่ใจเราไว้เลยดีไหมความรู้วันนี้เนี่ยอยากให้มันอยู่นานหน่อยก็ทบทวนดูเดินไปอ๋อผู่เพณิวาสันนุสานสติญานไปอย่างนี้เดินไปขึ้นรถ ตุกตกอ๋อจิตตุปา ป, ปายานอ๋ออศวัคายายานไปถึงบ้านมันยังไม่ลืมญาณสามประการเนี่ยละเมียญญาณอะไรน <c oughs> ขนาดพลังเผอสติที่สุดมันยังนึกถึงปัญญาญาณ น, นี้ไม่ธรรมดานะโยมนะนั่นนะ่ะถึงจะเชื่อมั่นว่า อัธยาศัยของเราเนี่ยมันน้อมนำไปหามาขนิพานแห่งการตรัสรู้สมกับเป็นวันที่เราได้ประกอบกิจกรรมเป็นบุญบุศสเนื่องในวันสัมพุทธชยันตีได้จริงๆเอาล่ะวันนี้หมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วค <c oughs> ง, งเพียงพอเพียงเท่านี้ดังนั้นในวันนี้ในท้ายที่สุดแห่งการฟังธรรมในหัวข้อชัยชนะของพระพุทธเจ้านี้คงจะขมวดได้แล้วล่ะว่า พระพุทธเจ้าชนะชนะอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสังรูต้ตรัสรู้อย่างไรขั้นตอนปัญญาญาณที่ทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีลําดับขั้นตอนอย่างไรบ้างขอให้อานุภาพของพระพุทธเจ้าขอให้อานุภาพแห่งพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าขอให้อานุภาพของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและอานุภาพของหมู่พระอริยสาวกผู้ดได้ฟังคําสอนของพรพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติบรรลุตามแล้ว จงมาเอื้ออำนวยให้เราทุกคนมีอัธยาศัยน้อมนำไปสู่การตรัสรู้สักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเราเองนี่แหละชยันตีไม่ใช่เพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นบุญกรรมใดที่สั่งสมมาก็ขอน้อมนำมาเอื้ออำนวยกระตุ้นเตือนให้กรรมดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นโดยลำดับจนกว่ากรรมดีของเราจะเต็มเปี่ยมเป็นบารมี สามารถเข้าถึงมรรผลนิพพานได้ในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเทิน